أ ر س ل الله رحمة للعالمين، وقد أ ل الأمان و ب ل غ الرسالة، ونصع الأمة ب ش ا ر في ا ل ا ق ج ه ا د فجزاه الله أ ن ا وعلمتي خير مجازاه نبيا علمتيه. ق ر ق الله تعالى في كتاب الكريم بعد ع و ذ ب بلا م ش ي ط ا ل رجيم، بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي ا ل ص ح ف الأولى ص ح ف إبراهيم وموسى. ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของการอ ธ, ธิบายอัลกุรอานสุรุตุลอาลาเรายังคงพูดคุยกันอยู่ในส่วนของอายะที่16บัลตุซิรูนัลฮายาตุดุนยาแต่ท้ว่าพวกเจ้านั้นกับเลือกใช้ชีวิตเพียงเพื่อโลกนี้หมายความว่าเรานั้นให้ความสำคัญกับโลกนี้มากกว่าที่เราจะทุ่มเทให้ความสาคัญกับโลกหน้า ทั้งๆที่ว่าคือเราต้อคอยรู้อบอบกอรทั้งๆที่ว่าโลกหน้านั้นมันดีกว่าแล้วมันก็จะอยู่ถาวรยิกว่าในวันนี้ครับอยากจะชวนทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องนะครับเรามาลองพิสูจน์กันเรามาลองพูดคุยกันเรามาลองตรวจสอบกันิว่าตกลงพวกเราเข้าข่ายอายะนี้กันหรือไม่ผมเริ่มจากตัวของผมเองแล้วก็พี่น้องที่ผมรักนะครับเราตรวจสอบเอง เหมือน ก, นกับที่ท่านอุมะาราิยุโลอันุได้บอกไว้นะครับว่าหาสิบูก็แปลงตัวหาสบูพวกท่านทั้งหลายนั้นตรงตัวสอบตัวของพวกท่านเองก่อนที่พวกท่านนั้นจะถูกสอบสวนตรวจสอบก่อนที่เรานั้นจะถูกตรวจสอบบางตุกสิรูในภัยตะตุนยาแต่ทั่วพวกเรานั้นได้รับหรือเราเลือกดุนยานั้นมากกว่าพี่น้องครับเรามาลองพูดคุยกันง่ายๆเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับพี่น้องลองจินตนาการง่ายๆบางทีเราก็อาจจะ เข้าใจตัวเราว่าเรานั้นก็พยายามเลือกอะเคโลแล้วเรามาดูกันครับเอาความเป็นจริงพี่น้องไม่ต้องตอบผมตรวจสอบกับตัวเราเองตอบตัวเราเองเพราะถึงเวลาเราก็ต้องไปตอบกับโฮลสุบฮานหูอวตาาเองนะครับผมถ้าเกิดเรายกตัวอย่างพี่น้องไม่ต้องคิดถึงคนอื่นเอาแค่ตัวเราเอง สมมุติว่าเกิดมีการบอกกล่าวสมมติว่ามีการบอกตอนเนี้ยมีห้องอยู่สองห้องให้เราเลือกห้องขวากับห้องซ้ายถ้าเกิดมีการพูดคุยนะครับบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะถ้าเราเลือกเลี้ยวไปห้องซ้ายเนี่ยเขากําลังมีเรื่องของการแจกเงินซึ่งเป็นการแจกเงินช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ15นาทีอาจจะแจกเงินใครก็ตามเข้าไปปุ๊บเขาจะแจกให้คนละ1 0,000 1 0,000 บาทกับห้องขวาเขาบอกถ้าเกิดคุณเลี้ยวไปนะเขากำลังมีการเรียนการสอน อัลกรุรอานมีการเรียนการสอนคำพูดของพ Allah, ่อละซุบฮานหัวตาลาซึ่งครั้งคู่เหมือนกันคือมีเวลาให้แค่ประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นถ้าเป็นตัวพี่น้องจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาถามกันตรงๆเลี้ยวซ้ายได้เงินสองห0ื่นทันทีเลยที่เข้าไปถ้าไม่ทันปิดเลี้ยวขวาเข้าไปจะมีการเรียนการสอนอัลกรุรอานคำพูดของพ่อละต้องเป็นคําพูดที่ประเสริฐที่สุด พี่น้องที่รักยิง่งเบลตุสีรูลหายาตัดุนยาถ้าหากเราเลือกเดี๋ยวสายถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเดี๋ยวสายน่าจะเลือกเดี๋ยวสายก่อนนั่นคือเราเลือกอาเครอหรือเปล่าบางคนอยจะบอกอาจารย์ได้เงินมาไปบริจาคไงแน่ใจไหมแล้วแน่ใจใช่ไหมว่ามันจะดีกว่าการที่เราจะเลี้ยวขวาเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักยิง่งถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบดูชีวิตประจําวันของเรา อาหารการกินที่เรากินถ้าถึงเวลาปุ๊บเราเห็นว่ามีคนอดอยากเหมือนกันแล้วเราเลือกให้เรากินพี่น้องเลือกให้ใครได้กินดีกว่ากันระหว่างตัวเราระหว่างครอบครัวของเราอาหารที่เรากินนั้นเราสามารถไปที่ร้านอาหารแพงๆหลักพันได้ในขณะที่เราทิ้งคนป่วยหรือเราทิ้งคนที่ยากจนหรือ อย่างน้อยสุดเราให้อาหารเขาแค่หลัก10บาท20บาทเขาบอกว่าแค่นี้เขาก็น่าจะกินได้เราเลือกอะไรระหว่างเลือกของที่ดีที่สุดที่เป็นอาหารให้เรากินหรือเลือกอาหารที่ดีที่สุดให้กับคนอื่นเราเลือกให้เรากินนั่นคือเราได้ในดุนยาจบแค่ดุนยาเมื่อเราตายมันก็จบไม่มีผลอะไรหรือเราเลือกหยิบยืี้ยให้กับคนยากจนคนที่ไม่มีอาหารจะกินซึ่งดุนยาเราอาจจะยังไม่ได้แต่เราจะไปได้ในโลกหน้าพี่น้องเลือกอะไรครับ บรรทุซีรุณนั้นหาตัดดยถ้าเกิดเราเลือกที่ว่ายังไงให้ฉันครอบครัวฉันได้กินดีกว่านั่นก็คือที่เราเลือกมันก็จบดุนยาก็จะไม่ได้ต่อในอเคโเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่รักกิ่งครับหากว่าเป็นอรุลีมานถ้าเราดูในเรื่องอาหารการกินเนี่ยตัวอย่างค่อนข้างจะชัดเจนเราไปร้านเนื้อย่างได้เราไปร้านอาหาราญี่ปุ่นได้เราไปร้านอาหารแพงๆได้ถึงเวลาถ้าเรากิน เพื่อความอิ่มเอิของเราผมไม่ได้บอกว่าผิดแต่ผมบอกว่านี่คือความสุขที่จบที่ดุนยาใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจบแค่ดุนยาแล้วก็คเกิดว่าการที่เราหยิบยื่นอาหารให้กับคนที่เดือดร้อนถามว่ามันได้ในโรกอาเครอรใช่หรือไม่คำตอบบรรทุสิรูนั่นายาตัดดุนยามาชา่าราครับอิรฟานวอเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วอยู่เทินมาเลี้ยวขวาได้ไหมครับก็ ทั้งหมดที่การเลือกของพวกเราเรากําลังเลือกทางเดินชีวิตดุลยาทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครดีใครไม่ดีใครถูกใครผิดเพียงแต่ผมอยากจะมาชวนคิดชวนตรวจสอบว่าตอนเนี้ยเมื่อเราคุยถึงอายะกุรานที่ว่าแต่ถ้าว่าพวกเจ้าเลือกดุลยามากกว่าเนี่ยเราจะได้ตรวจสอบตัวเองว่าตกลงเราเลือกดุลยามากกว่าใช่หรือไม่ทีนี้พี่น้องเรา่มมาคิดดูคิดตัวอย่างง่ายๆพี่น้อง เธอพูดมาขนาดเนี่ยพี่น้องว่าสมมตินะถ้าเราต้องเลือกระหว่างการได้ทองคำมาทองคำทองคาเป็นก้อนเลยก้อนใหญ่ๆเลยสักกิโลสักล้านนะสักสองล้านทักสิบล้านถ้าเราจะได้ทองคำมาแต่ได้มาปุ๊บมันก็จะหมดไปเลยเราก็จะใช้อะไรมือเรือจนมันหมดกับเราได้หมาย ที่เราจะมาใช้เป็นประโยชน์ที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลใช้คาว่าตลอดกาลนะพี่น้องทองคำที่มันมาแล้วมันก็ไปกับไม้ที่มันจะอยู่กับเราแล้วเราได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์กับมันตลอดกาลพี่น้องว่าถ้าคนที่ฉลาดอย่างแท้จริงเขาจะเลือกอะไรทองคำที่ได้มาแป๊บเดียวแล้วมันก็จะหายไปเลยอาจจะจบภายในแค่เวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งแต่เป็นทองคำมหาศาลได้มาปุ๊บจบไปเลย กับไม้แผ่นไม้มูลค่าไม่เท่าทองคำแต่มันจะยังประโยชน์กับเราตลอดการไม่ใช่แค่1ิปีร้อปีแต่ตลอดการพี่น้องว่าคนที่ฉลาดอย่างแท้จริงเขาจะเลือกอะไรผู้ศรัทธาจะเลือกอะไรแล้วพี่น้องลองคิดดูถ้ากลับกันแหละถ้ากลับกันว่าเราจะได้ไม้ซึ่งมันได้มาแป๊บเดียวแล้วจะหายไปกับได้ทองคำที่มันจะอยู่ยังประโยชน์กับเราตลอดการเราจะเลือกอะไร นี่คือดุนยากับอาเคโรดุนยาก็เหมือนกับไม้ที่เราได้มาแป๊บเดียวแล้วมันก็จากเราไปแค่ไม้ส่วนอาเคโะวัลอาเคโรตัวค่อยรู้ อ, อ, กอักกรมันดีกว่าแล้วมันอยู่กับเจ้าตลอดการก็เหมือนกับทองคําที่เราจะได้มาแล้วอยู่กับเราตลอดการเราจะเลือกอะไรขนาดแค่เป็นไม้ที่อยู่ตลอดการกับทองคําที่อยู่ชั่วคราวคนที่เฉลียฉลาดเขาก็ยังเลือกไม้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่แป๊บเดียวแล้วหมดไป กับทองคําที่เรายังประโยชน์ตลอดการมันไม่ยิ่งเป็นอะไรที่มันยิ่งกว่า น, นั้นเลยวัลอาคิรตัตุคอยรู้หัวอั บ, บกอนี่คือประเด็นครับที่เราต้องสอบสวนตัวเองย้ำนะครับให้เราได้สอบสวนตัวเองไม่ใช่ให้ไปโจมตีผู้อื่นพี่น้องที่รัก บ, บุญาผู้ศรัทธาเนี่ยคนที่มีความศรัทธาคนที่เขาเลือกอาคิรัตมากกว่าดุนยา เะวกลุ่รงครับว่ายุติอิมูนตัตอมามะอะลาปปฮูบิมิสกีนาวยติโมวาซีรอถึงเวลาพออาหารการกินเนี่ยตัวเองได้กินระดับหนึ่งอะจะทำดูเลยละมีกินขอบคุณออลลอฮ์เหมือนกับที่ซาลาบีบอกถ้าเกิดตื่นมามันม่นใจว่ามีอาหารกินนี่คือความสุขที่สุดในดุนยาเพราะถึงเวลาถ้าหยิยื่นให้กับคนอื่นปุ๊บอย่างน้อก็หยิบยื่นเหมือนกับที่เรากินให้กับตัวเราเองว่าุติอิมูนตัตอมามะอะลาฮูบีมิสกีนาวยติโมวาซีรอ ผู้ศรัทธานั้นเขาจะให้อาหารหยิบยื่ยนแบ่งปันอาหารกับคนที่เขารักทั้งคนยากไร้ทั้งคนขัดสนทั้งคนที่เป็นทาดอินนามาณุไยมุคุมเดลชุฮิลลาลิริมคุมจซ่าอวะลาชุกูรอที่เราให้นะนะ <c oughs> คุณไม่ต้องมาขอบคุณเราเลยคุณไม่ต้องมาตอบแทนเราเรากลัวอัลลอฮ์เราจึงให้คุณนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาพี่น้องจําได้ไหมที่งไอชะที่ยังไอาชาเราโยโ ล, ลอันหาที่เราได้พูดคุยเกันไปแล้วเมื่อตอนที่นางนั้นให้ความช่วยเหลือใครก็ตาม เมื่อมีคนมาขอสารกร็ขอความช่วยเหลือหน้าบ้านมาเคาะประตูนางเปิดยื่นให้ความช่วยเหลือแล้วปิดประตูไม่ให้โอกาสเขาขอบคุณไม่ให้โอกาสเขาตอบแทนถ้าเขาจะดูอาให้นางนางปิดหูนา ง, นางบอกนางไม่อยากฟังเมื่อมีคนถามนางว่าทำไมล่ะทำไมทำไมคุณถึงไม่ให้โอกาสเขาที่ไอ้ช้ า, ชาบอกว่าไงครับที่เขาดูอาให้ชั้นเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ชั้นให้เขาพี่น้องลองคิดตามนะ นี่คือที่ที่ไงไอ้ชาบอกเวลาที่เขาขอบคุณฉันหรือเวลาที่เขาดูอาให้ฉันเนะ่ยเพราะเขาตอบแทนสิ่งที่ฉันทําให้เขาแต่ฉันต้องการการตอบแทนจากอัลลอฮ์ไม่ได้การตอบไม่ได้ต้องการการตอบแทนจากเขาฉันกลัวว่าถ้าฉันได้การตอบแทนจากเขาแล้วฉันจะไม่ได้น ะ, ท, AH. ะที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละที่ไช้าก็เลยบอกไม่ต้องมาขอบคุณไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาอะไรฉันช่วยเพื่อให้อัลลอฮ์ตอบแทนฉันนี่คือ หัวใจของผู้ศรัทธาเมื่อบริจาคปุ๊บไม่ได้ตามติดด้วยกับการล้ำเลิกไม่ได้ตามติดด้วยกับการคาดขันบางคนเวลาช่วยเหลือคนอื่นมีเงื่อนไขฉันจะช่วยนะแต่ต้องดูอาให้ฉันถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับพี่น้องแต่มันเป็นการตั้งเงื่อนไขที่มันจะให้คุณหรือให้โทษมากกว่ากันพี่น้องลองคิดดูบางคนบอกอ่ะฉันจัดงานเลี้ยงนะแต่คนที่มาต้องยกมือดูอาต้องดูอาให้กับฉันถามว่าดูอา ที่ออกมามันจะออกมาจากใจหรือออกมาแค่ลิ้นเอาพี่น้องลองคิดตรงๆถ้าเปรียบเทียบกับบอกว่าเราเลี้ยงอาหารมากินเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาขอบคุณไม่ต้องมาดูอาอะไรเลยก็ได้มากินอาหารเถอะขอแค่มากินอาหารฉันอยากเลี้ยงเพื่อให้อลัลลอฮ์รักฉันถึงเวลาถ้าเกิดคนที่กินเน่ยพอเขากินปุ๊บเขารู้สึกตื้นตันแล้วเายกมือขอดูอาพี่น้องว่าเนี่ยมันออกมาจากปากหรือออกมาจากใจดูอาที่ไม่ถูกบังคับมันจะออกมาจากหัวใจพี่น้อง แต่ถ้าตั้งเป็นบังคับตั้งเป็นเงื่อนไขปุ๊บมันจะออกมาแค่ปากซึ่งสิ่งที่ออกมาจากปากเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าโพลล์ล็อตส์าพานนอราตาจะไม่รับการขอที่เจ้าขอนั้นไม่ได้มีใจให้ด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพอเราทําความดีแล้วกลับกลายเป็นว่าเราต้องการการตอบแทนจากมนุษย์พอทําความดีปุ๊บถ่ายรูปลงโซเชียลฉันทําความดีนะบางคนหนักกว่านั้นครับไปหาโพลล์ล็อตส์าพานนอวาตาแหละไปทําตัววับ ไปทําอุ้มร้อเพื่ออัลลอฮ์แต่ถ่ายรูปให้คนดูถามว่าตกลงตัววับนั้นอุ้มร้อนั้นเพื่ออัลลอฮ์หรือเทือมนุษย์บางทีเขาบอกว่าก็อยากให้คนอื่นรับรู้เปิดบั อ, บอุดเขาอยากคนอื่นเขาอยากจะรับรู้ด้วยถ้าอย่างนั้นแปลว่าการงานของคุณจบที่การรับรู้ของมนุษย์นะไปไม่ถึงอัลลอฮ์นะเรื่องนี้เรื่องใหญ่พี่น้องเรื่องนี้เรื่องใหญ่ที่เราทําความดีแล้วเราคิดอยากให้มนุษย์รับรู้มากกว่าที่อยากจะอัลลอฮ์ตอบรับถ้าเป็นอย่างนั้น อาล้อให้มนุย์รับรู้แล้วเราจะไม่ได้อะไรจากอัลลอฮ์เลยนั่นคือความขาดทุนบางคนบอกฉันจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้โอเคถ้าจําเป็นแล้วมันฟังขึ้นหน้าอัลลอฮ์มันฟังขึ้นก็รอดแต่ถ้ามันฟังไม่ขึ้นละ่ะผมไม่ได้ตัดสินใครผมไม่ได้บอกว่าใครที่ทำแล้วถ่ายรูปให้คนอื่นดูเนี่ยเขาเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ผมไม่ได้ตัดสินใครเลยเพียงแต่ผมเป็นห่วง ผมเป็นห่วงว่าถ้าเหตุผลของเรามันฟังไม่ขึ้นหนะ้าที่อัลลอสุบฮานวะตาลาการงานนั้นเป็นศูนย์นะพี่น้องเราจะได้คำเย็นยอสรรเสริญจากมนุษย์เราจะได้ยินคำขอบคุณจากมนุษย์เราจะได้ดูอาจากมนุษย์ที่มันไปไม่ถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาพี่น้องผมเคยเจอมีครั้งหนึ่งผมถูกได้รับเชิญไปด้วยกับบรรดาอาจารย์ครูบาอาจารย์หลายๆท่าน ก็ไปกันหลายๆคนเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่แหละเขาลงทุนเชื้อเพะเพื่อเลี้ยงเขาบอกอยากเลี้ยงคนที่แบบว่าช่วยงานศาสนาของพระองค์เขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกไม่ต้องละอาไม่ต้องอะไรให้เลยนะไม่ต้องขอบคุณเลยก็ได้แค่มากินเนี่ยฉันก็พอใจแล้วฉันได้เลี้ยงให้อลลอรักแล้วพอเราได้เจอเหตุการณ์แบบนี้รู้สึกไงครับรู้สึกแบบมาชาาะเขาเข้าถึงนะ เขาเข้าถึงการทำดีบางครั้งเข้าถึงมากกว่าเราซะอีกแล้วมันทำให้เราห้ามใจไม่ได้ที่จะต้องขอดูอาจากอัลลอบางคนก็เดินไปหาเขาเลยแล้วก็ดูอาให้เขาเลยบอกว่าขอบคุณมากๆนะนี่คืองานที่หนึ่งในงานที่ยอดเยี่ยมมากทาที่เคยเจอก็คือคุณทำโดยไม่หวังผลตอบแทนจากอัลลอเลยแต่หน้าที่ของเราเมื่อเราได้รับความดีเราซูนสั่งเราว่าเราต้องดูอาให้กับเจ้าภาพ เราก็เลยมาดูอาให้กับคุณนะก็ดูอาเป็นภาษาไทยให้เขารู้ว่าขอดูอาอะไรให้เขาขอบุณอะไรให้กับเขานี่คือหนึ่งในผู้ที่มีเจตนาที่บริสุทธิ์ว่าเราล่าวรำครับไม่มีใครรู้สิ่งที่ในหัวใจแต่จากพฤติกรรมที่มันมองเห็นเนี่ยพอเราดูปุ๊บเรารู้สึกดีไหมรู้สึกดีนี่คือคนที่ให้ความสําคัญกับอาเคิร์ลมากกว่าดุนยาเพราะฉะนั้นเวลาเราทําความดีพี่น้องระวัง เวลาเราบริจาคเลยให้ความช่วยเหลือระวังเราต้องการการขอบคุณจากเขาเหรือเราต้องการดุอาศจากเขาเหรือเราต้องการอะไรจากเขาหรือเราต้องการอะไรจากพู้อาลลอฮฺซุบะฮานะฮูวาตาละอันนี้ขณะคนบริจาคแล้วมีเจตนาที่ไม่ดีการงานเป็นโมคะแล้วถ้าคนไม่บริจาคเลยล่ะพี่น้องมันยิ่งแย่กว่านั้นไหมยิ่งแย่กว่านั้นเสียครับบางคนเนี่ยซื้ออะไรให้กับเองซื้อได้เต็มที่ซื้อแพงซื้อหรูซื้ออะไรซื้อเบนตาสองสาพัน มือถือหลัก3าี่หมื่นบางทีก็ต้องผ่อนบางทีก็ต้องอะไรให้กับตัวเองทุ่มทุนตัวเองอย่างเต็มที่ครับแต่พอถึงเวลาทําอะไรที่มันต้องจําเป็นจริงๆอย่างยกตัวอย่างสาการฟิาาตรีสาการ์ฟิตรีสากาด์ฟิตร้อยอย่างที่พ เ, เราทราบก็คือว่าเมื่อถือสนอดเสร็จจากเดืดอนรมฎอนเราก็บริจาคอาหารให้กับคนที่ยากไร้เพื่อเป็นหนึ่งในการที่จะให้เขามีความสุขในวันอีที่จะมาถึงสร้างความสุขให้กับเขา เอา ล, ล้อก็ให้เรามีความสุขพี่น้องที่รัก บ, บางทีเราทุ่มให้กับตัวเองเนี่ยเยอะแยะอย่างที่บอกครับแว่นตาแพงนาฬิกาแพงเสื้อผ้าหรูอาหารเนี่ยข้าวนี่คือดีที่สุดเท่าที่มีขายบางคนบอกฉันกินข้าวแข็งๆไม่เป็นต้องเป็นข้าวใหม่ต้องเป็นข้าวหลุหๆข้าวแพงๆแต่พอถึงเวลาสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อไอคิวรออ ข, ของเขาในเรื่องสกาอฟิตเน หาร้านที่ขายข้าวถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะดูซิตรงไหนเขาประกาศเรื่องสกัดพิทลัสที่มันถูกๆูกอ้าวอันนี้ห้าร้อยบาทโอ้แพงไปอันนี้สามร้อยห้าสิบอ้มันก็แพงไปหน่อยนะไปหาที่ถูกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วเราอยากได้สวรรค์ชั้นสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันกินกับสติปัญญาไหมพ่อดุนยาของเราที่มันจบแค่ดุนยาอาหารการกินของเราหรูที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แต่พอจะเป็นอะไรไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าเพื่อ Allah พี่น้องเพื่อตัวเราในโลกอาเครอเพื่อโลกหน้าของเราเอาที่มันถูกที่สุดถ้าจะเป็นไปได้เอาที่มันแย่ที่สุดถ้าจะเป็นไปได้คนจนเขาไม่เคยกินของอะไรดีหรอกไม่ต้อง อ, อะไรดีมากมายเอาเยอะๆให้เขากินเขาพอบรรทุศีรูนั่นแหยาตัดดุนยาเนี่คือการชัดเจนเลยว่าเรานั้นเลือกดุลยามากกว่าอาเครอเพราะการกินจบที่ดุลยา การให้ผู้อื่นมันไปถึงอาเคโะเราทุ่มกับดุญยามากกว่าอาเคโะอย่างเทียบกันไม่ติดจ่ายบินสองพันสามพันบางทีห้าพันจ่ายบินค่าอาหารได้มีความสุขวันนี้ได้กินของอร่อยแต่พอจ่ายเป็นสากาศเพื่อตัวเองในอารเครระอยห้าสิบแพงแล้วมีถูกกว่านี้ไหมหรือเอาข้าวแย่ ก, กว่านี้ก็ได้เมื่อ เราเอาของแย่ๆให้กับใครมันก็เพิ่มพูณมาแต่สิ่งแย่ๆให้กับเราพี่น้องอย่าลืมพู้ล้อก่าในกรานว่าไงครับยะยุรดีนะอามณูอังฟิกูมินตยีบาติมากระซับตุม้มโอ้ผู้ศรัทธาจงใช้จ่ายสิ่งดีๆที่เจ้านขนมาสิวมีมาอคขราชนาะกุมแาก็จากสิ่งที่เราให้มันออกมาจากผืนแผนดินเอาสิ่ง ด, ดีให้กับคนอื่นสิวาอละตยัมมามุลคอบีสัมินหูตุงฟิกุน วัลลัสตูมบีอาคีดีอิลาตุกมีดูฟีเพราะว่าการวันนี้กุรานแบบเห็นภาพชัดเจนเลยครับพระองค์บอกว่าอย่าเอาของแย่ๆไปให้คนอื่นของแย่ๆที่จะเกิดเจ้าได้รับเองเนี่ยเจ้าแบบจะต้องหลับตายยิ้เหมือนกับไม่อยากได้มันพระองค์บอกภาพขนาดนี้ครับพระเงค์บอกบางทีของที่เจ้าให้คนอื่นบางคนเนี่ยรู้สึกเป็นคนดีเหลือเกินเอาของที่ไม่ใช้แล้วไปบริจาคบางทีไม่อยากใช้ตัวนี้แล้วปุ๊บเอ้า ฉัจนจะทิ้งก็อะไรเอาไปให้คนจนและการเผื่อ ม, มันเป็นผลละบุญเป็นของคุณภาพที่ว่าถ้ามีคนเอาอย่างนี้มาให้เราเนี่ยเราไม่รับหรือถ้าเรารับต้งรู้สึกดีรู้สึกแย่อย่างบางคนบางทีเข้าไปกินอาหารหรูๆกินได้พอจะเอาอะไรไปฝากคนอื่นปุ๊บเอาอาหารเศษเหลือที่ตัวเองกินแล้วเหลือๆเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสหรอกเขาได้กินเขาคงมีปัญญาได้กินดีๆแต่ฉันเอาของดีให้เขากินแล้ว ถามในมวงกบกลับกันจากอักกุรันที่พ่อเลาะบอกเนี่ยถ้ามีคนเอาอย่างนี้มาให้เราเรารู้สึกยังไงมีคนบอกนี่เป็นอาหารเหลือที่เขากินเหลือนะเอาเอาไปกินแล้วกันพกเพราะข่าในกุรันอิลลาอันตุกมีดูฟีถ้าเป็นเจ้าเนี่ยเจ้าเอาของให้ในสิ่งที่เจ้าเจ้าต้องรับมันเนี่ยเจ้าคงจะต้องหลับตารับด้วยความรู้สึกใส่เอียนด้วยความรู้สึกขยะขยงแต่ทําไมเจ้ากับเรื่องหยิบยื่น เลือกหยิบยื่นสิ่งแย่ๆที่เจ้าเองไม่อยากรับให้กับคนอื่นแล้วกับรู้สึกว่ามันเป็นบุญเป็นคุณกับรู้สึกว่าเจ้าทำความดีเจ้าคิดไปได้ยังไงว่าลามูอันอัลลอฮะก้อนี้ยูนัยมีจงรู้ไว้เลยนะอัลลอฮ์นะร่ำรวยเจ้าคิดว่าเจ้าเอาของแย่ๆให้เราเราจะเมตตาเจ้าอย่างนั้นหรืออัลลอฮ์ร่ำรวยกว่าเจ้าเพราะเราไม่ได้ต้องการสิ่งแย่ๆที่เจ้าให้ เพะนั้นไม่ต้องคิดเอาคุณเอาบุญเลยไม่ต้องคิดว่าทำความดีเต็มปา่านี่คือสิ่งที่พ่อเลีสุบานวตราเตือนผมแล้วก็เตือนพี่น้องที่รักทุกท่านเตือนผู้ศรัทธาทุกท่านว่าหากคุณเป็นผู้ศรัทธาเวลาจะใช้จ่ายเอาของดีให้คนอื่นด้วยผมไม่ได้บอกว่าของเหลือใช้ห้ามเอาไปให้คนอื่นแต่ความรู้สึกพี่น้องต้องเหนียดให้ดี เวลาของเหลือใช้ที่เราดูปุ๊บฉันไม่ได้ใช้เอาให้คนอื่นเน่ยเราควรจะเหนียดยังไงหลักๆเราต้องเหนียดขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้มีคนได้ใช้ประโยชน์ต่อจากเราทำให้เราลอดจากการถูกสอบสวนไม่ใช่เราไปเอาบุญเอาคุณกับเขาคือจริงๆเนี่ยคนที่เอาของไม่ดีไปให้คนอื่นแล้วคนอื่นได้ใช้ประโยชน์เนี่ยเราเนี่ยต้องขอบคุณเขาที่ช่วยรับมันไปไม่ใช่เขาต้องมาขอบคุณเราที่เราเอาของเหลือเดนให้กับเขาเราต้องมองให้ถูกประเด็นนะ เพราะของนั้นถ้าเราได้รับเราก็ไม่ชอบแต่กลับมีคนยอมรับมันไปใช้ประโยชน์เพื่อทำให้เรารอดพ้นจากการเป็นคนสูอิสูไลเราต้องมองให้เป็นเราต้องมองให้ถูกการมาตานุตูดานหยิบยื่นสิ่งใดไปเราจะได้รับสิ่งนั้นหยิบยื่นของที่ดีพระอะค์ก็จะมอบสิ่งของที่ดีให้กับเราหยิบยื่นของที่แย่ๆถึงเวลาเรารับเราจะรับหรือเปล่า พเพราะเรคยอ่านในคุานว่าไงครับลังแตานารุลเบราัตตาตุงฟิกูมิมาทูฮิบุนว่ามาตุงฟิกูมินชัยอินฟินาลอับีอาลิมเจ้าไม่มีทางได้รับความดีจนกว่าเจ้าจะให้สิ่งที่เจ้ารักก่อนเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเอาของที่เราชอบที่สุดให้กับคนอื่นไม่ได้สั่งให้เสียสละขนาดนั้นบอกคุณบอกในฉันซึ่งซื้อของใหม่มาฉันชอบมากๆเลยเพราะเราสั่งว่าฉันต้องให้ของดีโอเคฉันให้มันไปแล้วกันเพราะเราไม่ได้บังคับขนาดนั้นพี่น้อง เพียงแต่พวกเราบอกว่าเอาของดีๆให้คนอื่นด้วยนั่นแหละคือความดีอย่างเราถ้าเกิดสมมติเรารู้ตัวเรามีเสื้อผ้าสามชุดอย่างเงี้ยปกติเราใส่แค่สองชุดอีกชุดมีไว้อบอุ่นอุ่นใจพอมีคนมาขอปุ๊บเรารู้สึกตะคิดตะขวงใจบอกฉันยังรักมันอยู่ฉันฉันยังอยากใช้มันอยู่มันยังเป็นประโยชน์อยู่ถ้าเรากัดฟันแล้วยื่นให้เขาได้นี่แหละคือความดีนี่แหละคือสิ่งที่มันจะขัดเกลาใจิตใจของเรา พรพี่น้องเชื่อผมหลายครั้งครับซื้อผ้าเรามีเต็มตู้แล้วเราแทบไม่ได้ใส่เลยบางชุดเราซื้อมาใส่แค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตของมันบางชุดใส่แค่สองครั้งถ้าเราให้ของที่เรายังรู้สึกมันมีคุณค่าอยู่นั่นแหละครับจะเข้าถึงความดีแล้วย้ำนะผมไม่ได้บอกว่าเ้าของที่ดีที่สุดที่เรารักที่สุดให้คนอื่นเพียงแต่ให้เอาของดีๆที่เรายังให้คุณค่ากับมันเนี่ยให้คนอื่นด้วยนั่นแหละคือความดีงาม ใครก็ตามที่ทํามันได้แปลว่าเขาเข้าถึงความดีงามแล้วเข้าถึงความดีงามแล้วก็คือถ้ามันไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราคือบางคนเน่ะเอาของคนอื่นไปให้เนี่ยภรรยาฉันชอบสามอันอบังคับหักดิบเลยบังคับบริจาคไปเลยเธอต้องให้สิเธอไม่อยากมีอิมานเลยก่อนจะบังคับคนอื่นะเอาตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อน แล้วก็ค่อยส่งเสริมคนอื่นเรื่องของคนอื่นเป็นความสมัครใจของเขาแต่ว่าผมนักเสียดเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ผมรักเลยใครก็ตามที่เสื้อผ้าเต็มตู้แล้วถึงเวลาเลือกปุ๊บเออฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยจงกลัวเอาล้อให้มากเพราะเราจะถูกสอบสวนในทุกๆอย่างที่พวกล้อให้กับเราอย่าไปตีหนีให้มากถ้ามันมากเกินความจําเป็นแบ่งปันได้ให้รีบแบ่งปันตอนที่มันยังมีคุณค่าอยู่ อย่ารอให้มันไร้คุณค่าแล้วทึ่งพึง่งพึ่งเอาของเสือเศษเดนเนี่ยไปให้คนอื่นถึงตอนนั้นเราไม่ได้บุญดีไม่ดีบาปที่สัมเพราะเราเก่าไงครับว่ามาตุงฟีกูมินใช้คุณจะใช้จ่ายอะไรก็ตามใช้จ่ายเพื่อตัวเองใช้จ่ายเพื่อคนอื่นใช้จ่ายเพื่อดุญยาใช้จ่ายเพื่ออักคราฟาอินละลอาบีอาลิมพเพราะเรื่อนั้นย่อมรู้ดีที่สุดประเด็นที่สาคัญครับอีกอายหนึ่ง ยมฮ์กุลลอห์ริบ่าวิร์บิสลัการวะลอห์ละยิฮบุคุลกัฟฟัลอัน عظيم ฟะรับของเขาจะลบล้างดอกเบี้ยแล้วก็จะเพิ่มพูนการบริจาคทานถ้าเราบริจาคทานด้วยกับสิ่งดีๆพวกเราก็เพิ่มพูนสิ่งที่ดีถ้าเราบริจาคทานด้วยกับสิ่งแย่ๆพวกเราก็จะเพิ่มพูนสิ่งแย่ๆมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นเรื่องที่มันเมีเสนกันเพราะนั้น เบลตุซีรูนลหลายาทัต ด, ดุนยาเราเลือกอะไรล่ะเราเลือกดุนยาหรือเปล่าเช่นเดียวกับการเรียนการสอนพี่น้องบางคนสุภานัลล่นแหละอร่อลลยริสกีเขามีลูกหลานหลายคนลูกหลานบางบ้านนี่รวมกันเป็นสิบมีความสุขมากลูกคนนี้ฉันจะส่งเขาเรียนหมอลูกคนนี้ฉันจะส่งเขาเรียนวิศวะลูกคนนี้ฉันจะอยากให้เขาเป็นพ่อค้าสิบทอดธุรกิจของฉันลูกคนนี้อยากอย่างนั้นลูกคนนี้อยากอย่างนี้ มีความสุขมีความภูมิใจอวดกับคนอื่นได้ลูกคนนี้จบศูนจบศูนจบจบจจบสูงหมดเลยแต่ไม่มีแม้แต่สักคนจบกุริยชาเรียไม่มีสักคนจบกุริยหะดีษไม่มีสักคนจบกุริยกุฎานไม่มีสักคนท่องกุฎานในชังในทางเล่มดั้งตุศิรูนหลักยาตตุนญาเราเลือกดุนยาถูกไหมเราเลือกตุนยาถูกไหมเพราะลูกๆเหล่านั้นเนี่ยพอเราตายไปยังประโยชน์อะไรเราบ้างไหม เต็นอูบีมัสไซันบอกว่าอิรามาตนอินซังอิงกัตาอา ม, มุลิลามิศาลาสินเวลาลูกหลานอัามตายเนี่ยคายงานจบแล้วเหลือแค่สามอย่างเหลือแค่สามอย่างความรู้อย่างประโยชน์ให้กับผู้อื่นหรือการบริจาคทางที่มันยังส่งผลอยู่หรือลูกที่ดีขอดูอาให้กับเขาใครนะคือลูกที่ดีลูกที่เข้าใจโลกน่ลูกที่เข้าใจสัตยาของลอร์ลูกที่เข้าใจหะดีสลูกที่เข้าใจอิสลามเท่านั้นถึงจะดูอาดีๆให้กับเขาได้ บางตูซิรุณารยาแต ด, ดุนยาแต่เรามีความสุขกับการที่ลูกเราเก่งเลขเก่งวิทยาศาสตร์เก่งสังคมเก่งภาษาคุยได้ทุกภาษาในโลกยกเว้นภาษากุรา่านอา่อานอะไรได้หมดยกเว้นการ อ, าอารา่านอัลกุรอานเช่นเดียวกันครับหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงว่าเรายึด ต, ติดกับดุนยาเราไปได้ทุกที่ในโลกท า, ทางทางี่มาักกาะอยู่ใกล้เราแต่เราไปไม่ถึง ฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวอังกฤษไปเที่ยวเกาหลีไปเที่ยวที่ไหนไปได้ทุกที่เลยแต่ฉันทําอุ้มร้องไม่ได้ฉันทําฮัทไม่ได้ฉันยังไม่พร้อมฉันรอแก่ก่อนค่อยตอบบาส ท, ทีเดียวเบลตุซิรูนัลไฮยาตัดดุนยาบางคนไปถึงซาอุดีอาระเบียแล้วบางคนเข้าไปมาการ์แล้วไม่ทําอุ้มรอ้องไปทําอย่างอื่นเบลตุซิรูนัลไฮยาตัดดุนยาสิ่งที่เราเลือกคือดุนยา หรืออาเครอเราเลือกอะไรเช่นเดียวกันครับเรามาดูว่าเรายึดติดกับดุนยาจริงหรือเปล่าเวลาเรามีการจัดงานอย่างบางที่จัดงานแต่งงานเราเชิญแขกประเภทไหนมาเราเชิญแขกประเภทไหนมาแขกที่แบบว่าอยู่กับบ้านเขาก็อิ่มหมีผีมันอยู่แล้วพอมากินปุ๊บเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็แค่ ก, กินก็บอกเอออาหารอร่อยนะอาหารไม่อร่อยนะทำไมอาหารไม่รู้อาหารรู้มาตําหนิอาหาร หรือยื่อหญิงยะโสแล้วไหนละคนยากจนพี่น้องอย่างงานแต่งงานเนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่สมควรที่สุดที่จะต้องเชิญคนจนคนยากไร้คนที่ไม่มีอาหจะกินถามว่าทําไมพอเราเชิญคนที่ไม่มีอะไรจะกินปุ๊บนี่คือผลบุญสระกะรมเราทําสระกะรมในงานแต่งงานของเรามันจะไม่ทําให้งานของเรามีบาระกะัก้าเลย ถ้าเราเชิญแต่คนดังงานฉันต้องมีแต่คนดังนะต้องมีคนมีเกียรติเยะที่เขามีกินอยู่แล้วเนี่ยถามว่าถึงเวลาเขามากินเขาจะให้ค่างานเราแค่ไหนถ้าเป็นคนดีอัลฮามดุลิลละแต่ถ้าเป็นไม่ใช่คนดีล่ะเขามาปุ๊บบางทีกินแล้วก็กินเหลือกินทิ้งกินขว้างอีกพี่น้องการกินทิ้งกินขว้างคือการปฏิเสธถือว่าเป็นกุฟลุนเนีะะ่ยไหมการปฏิเสธความโปรดปรานที่อัลลอฮฺให้แล้วกุฟรุนเนีะะ่ยไหม การปฏิเสธความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้พว้อัลลอฮ์นั้นลบริสกีไปจากเราเอาความโปวดปานออกไปจากเราอันนี้เรื่องใหญ่นะแปลว่างานบริมะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้อัลลอฮ์ไม่ให้ริสกีเราตลอดไปก็ได้พเอเราเอาความโปวดไปโปวดปานไปจากงานแต่งงานทั้งนั้นที่วา ง, งานแต่งงานเป็นการเริ่มต้นชีวิตเราต้องการบารอรักะเราต้องการบารอรกะ ท่านอับดุลเลาะห์สลาห์สลามบอกว่าไงครับงานเลี้ยงที่ชั่วร้ายที่สุดคืองานเลี้ยงแต่งงานที่เชิญชวนแต่คนรวยอย่างที่บอกก็คือคนรวยมีกินอยู่แล้วอยู่ที่บ้านเขามาเขาไม่มาเขาก็มีกินบางทีมีดีกินมีกินดีกว่าที่จะเลี้ยงในงานอีกงานเลี้ยงที่ชั่วร้ายที่สุดคืองานเลี้ยงแต่งงานที่เชิญแต่คนรวยแล้วห้ามคนจนพราะอย่างที่บอก บารักะอยู่ที่การเราได้ให้อาหารคนยากไรลคนเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีจั ก, กินแต่นี่คือเราเอาเศษของเหลือที่คนรวยๆกินแล้วมันเหลือเป็นเศษของเหลือครับผมเอาไปให้คนยากจนแล้วหวังว่าจะได้ผลบุญบัณฑิตสิรินายาตุนยาพี่น้องที่ผมพูดถึงเรื่องกุฟรุนเนี้ยมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีตัวบทหลักฐานนะ การที่แบบกินทิ้งกินคว้างแล้วเป็นเหตุทําให้ริสกีไม่มีทําให้ความเจริญไม่มีเนะี่ยอยู่ในกุลาในสราญาลูพวกเรายกตัวอย่างเองพวกเรายกตัวอย่างด้วยตัวพวุ่งเองเลยว่าวาดะรบัลลอฮฺมัสลันกอรยาตันกคเนตอามินตันมุจมาอินนี่ยพวลเราได้เปรียบเทียบให้เจ้าฟังการเปรียบเทียบคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงพวกเราได้ยกตัวอย่างให้เจ้าฟังถึงเมืองเมืองหนึ่งที่พวลเราให้เขามีความสนุก ยาตีหาดิสกูหาโรกอดันมินคุลิมาเกนมีริสกีมามากมายมหาศาลอาหารการกินนี่คือบริบูรณ์กลุ่มชนหนึ่งที่โพลอยเขามีอาหารการกินที่บริบูรณ์ที่มั่งคั่งฟากกาฟรัดบีอันอมิลลาแต่พวกเขานั้นเลือกปฏิเสธความปตดปานที่อัลลอฮ์ให้โอ้ฉันมีเยอะแยะเนี่ยฉัน เขาศาสวเองหามาด้วยตัวฉันเองนี่คือความปวดปานที่ฉันได้รับมาฉันเก่งฉันเท่ฉันรวยฉันมีความพยายามดีนี่คือแผ่นดินที่โดสมบูรณ์ไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์เลยนี่คือเรียกว่ากุฟรุ่นเนี้ยมะการปฏิเสธความปวดปานของละกินเหลือกินทิ้งกินขว้างไม่ความสัมพันธ์กับอาหารฟาอาดกอฮัลลอฮบาัลจวะวลเขาบิมาการยศนาอูนเนื่องด้วยสิ่งที่เขาทา พวกล้อได้ให้พวกเขาทั้งหมดลิ้มรสอาพรแห่งความหิวโหยแล้วความกลัวเขาเกิดอะไรขึ้นครับจากที่มีอาหารการกินบริบูรณ์มั่งคั่งพว้นีเกิดความอดอยากยากเข็นเกิดความแรงแข้นเกิดขึ้นพอพวกล้อยความแรงแค้นใครจะช่วยได้เมื่อพวกล้อเอาน้ําที่เคยให้เอาออกไปปุ๊บความอุดมสมบูรณ์ไม่เหลือ ถามว่าทำไมเพราะเขาปฏิเสธความปรดปานขอหรบา ล, ลตุสีรูนัหละายาตัดดุนยาอ่ะดูตัวเราเองเราเลือกดุนยาหรือเลือกหาเคราะห์เช่นเดียวกันครับหนึ่งในตัวอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าเราเลือกดุนยามากกว่าการอดหลับอดนอนของเรายาม่ําคืนของเราตัวอย่างชัดเจนเลยพี่น้อง ถ้าเราสามารถอดหลับอดนอนได้เสมอเพื่อดุลยาแต่ไม่สามารถอดหลับอดนอนได้เพื่อการละหมาดนี่คือเรายึดเลือกดุลยาไปแล้วบางคนนะ่ยอดหลับอดนอนได้เพื่อพูดคุยกับเพื่อนเพื่อพูดคุยกับคนที่เตัเวเงติดหรือเพื่อมากินอาหารอริดอร่อยไปเที่ยวอยู่ได้ทั้งคืนหรือเพื่อมาดูบอลหรือเพื่อมาทํางานเพื่อแสวงหาดิสกีแต่พอถึงเวลาเรื่องของอามานิบาดาปุ๊บับหลับยาว เหมือนกับที่ใช้ตอนเวลามันผูกปมไว้ที่เราสามปมเนี่ยใช้ตอนมันบอกว่าไงคืนนี้หลับยาวๆนะไม่ต้องลุกมาทำำําอามันอิบาดะถ้าตื่นก็ตื่นทําอะไรก็ทําแต่อย่าทำำําอามันอิบาดะพวกเราก็พลาดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งหลับยาวบางทีลุกไม่ทันสุโบฟัดดูไม่ทันบลตุสีรูนัหละายาตัดยุนยาเพราะเราเลิกยุญญาไปแล้วหรือตาหัดยุตว่าจะตาหัดยุตไม่ได้ตาหัดยุดว่าจะมาละหมาดยามค่ำคืนไม่ได้ละหมาดยามค่ำคืนสองรอกกา มันดีกว่าทั้งหมดที่เราเสาะแสวงหาในยามรับคืนบอนิพลานเราดูบอลจบไปทั้งคืนอดหลับอดนอนกับละหมาดสองรักาพี่น้องว่าไหนดีกว่าเอาจริงจริงดูบอลจบดุนยาจะได้บุญได้บาปอย่างไม่รู้แต่ถ้าได้ละหมาดเนี่ยอาเคโรได้ชัวร์บัลตุสิดูนหัหะายัตตดดุนยาเลือกอะไรกัน หรือว่าตางการคืนสะสแสวงหาแต่อาหารการกินที่อร่อยถาว่าฮะลันไม่ก็ฮะลันไงไม่ได้ทําผิดอะไรไงตามใดก็ตามที่มันอยู่ในเงื่อนไขฮะลันแต่สามารถอดหลับอดนอนเพื่อหาของอร่อยได้แต่ไม่สามารถมาละหมาดได้เราจะกินอาหารอาาริอาาร่อยตลอดชีวิตของเราแลกกับการที่เราได้ลุกมาอ่านอัลกุรอานหนึ่งอายะอายะเดียวพี่น้องขอแค่อายะเดียว พี่น้องว่าอันไหนมันให้ประโยชน์กับเรามากกว่าบาลตุซีรุลหายาตัดยุนยาเท่าเดียวกับการจ่ายสละกก๊อการใช้จ่ายให้ครอบครัวการใช้จ่ายให้ผู้อื่นการใช้จ่ายให้อัลลอฮ์รับอันไหนให้ผลมากกว่าล่ะครับพี่น้องที่รักแน่นอนผู้ไปเรดสตาเนะี่ยเขายอมเลือกดุนยาเพราะเขาไม่มีอาคีรอเขาไม่เชื่ออาคีรอเขาไปเสดอาคีรอเขาก็ไม่สนอาคีรอ มันเป็นเรื่องปกติแต่ตัวเราที่เป็นมุสลิมที่อ้างว่าเราเป็นมุมินเมื่อพฤติกรรมของเราเองกับเลือกดุนยาเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วเราบางทีหลายครั้งเราก็หลอกตัวเองว่าเราเลือกอาเครอตกลงที่พูดมาทั้งหมดเราเลือกอะไรเราเลือกสิ่งที่มันจะได้ดุนดวน แล้วก็ลัดหิงสิ่งที่ดีกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคําถามนี้เป็นเพียงคําถามปลายเปิดที่ว่ า, าผมขอถามตัวผมเองแล้วก็ถามพี่น้องที่ผมรักให้เราได้รีบๆตอบตั้งแต่ในดุนยาก่อนที่พวกเราทุกคนนั้นจะถูกพวกล้อสอบสวนในวันเกียร์มาแล้วถึงเมื่อ น, นั้นนะครับมันมันสายไปแล้วมันไม่ทันแล้วถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ ยังไม่สามารถคิดได้ไม่สามารถกลับเนื้อกับตัวได้ในดุลยานะครับมันอาจจะสายไปแล้วก็เตือนเรื่องความเป็นห่วงทั้งตัวผมกับพี่น้องทุกท่านซึ่งพวกเราไม่มีใครประเสริฐเหนือกว่าใครนะครับผมคุณสวัยสลามมาครับวายุคุณสลามอัลตลอฮฺอัลลอฮบาริกาทูคุณชริยะบอกว่าสลามรับจิบุลลอฮฺวายุคุณสลามอัลตลลอฮฺอัลลอฮาริกาทูครับผมคุณสรณีเตลเอ็มสลามมาทำได้ดีเยี่ยมทีติมซาลีฮัดจากผู้เก็ตพร้อมเรียนรู้แต่จากกัลโหลคารันมาก็ไหวยากุมครับ แล้วก็อัลกุสลามาตุลอ์บรากาตูครับผมคุณสุนี้ต้เอ็มหัวใจผู้ศรัทธาที่ให้อย่างไรเงื่อนไขเพื่อหวังความรักจาก a l อ a h ท่านั้นลหันรีละครับเป็นหัวใจที่งดงามครับแต่ว่าเราไปถึงขั้นนั้นได้ครับผมคุณซาดัศสลามาก็อัลกุสลามาตุลอ์บารากตคุณคุณเดินดีนะครับสลามาก็อัลกุสลามตุลอ์บรากะตุคุฟาติมาอาตีสลามากับอัล ก, สลาากุสลามตุลอ์บารากาตูเชเดียวกับคุณทัสนีมฮบีบเอ่อฮะบี เต่้าใจว่บิบิลลาและปาไม่แน่ใจนะครับสลามาก็วัดกุญสลาโมตุล้อบราร์การตูคุณสารนีอสัสซัคลุ ล, ล้อใช่ครับพวกเราต้องขอไปทวดให้มากๆครับคุณคานมารีนาครับไม่ได้ทักทายกันช่วงหนึ่งนะครับผมจากสวิตเซอร์แลนด์ชัดเจนสลามาก็วัดกุญสลามตุล้อบราร์การตูครับคุณรเบียครับอาทำดีล้ามาก็าบารกัลลองฟีกุ่มครับผมพี่น้องที่รักนี่คือการกเตือนที่ เราได้ประโยชน์มาจากคำพิอัลกุรานของผู้ลอสุบฮานุอัลต阿拉ผู้ที่คุณควรให้คิดเขาย่อมได้ประโยชน์จากมันส่วนผู้ที่เขาหลงและลืมเขาก็อาจจะทำได้เพียงแก่ต้องมาเสียใจในภายหลังครับขอด้ว่าจากผู้ลอสุบฮานุอัลต阿拉ครับให้เราเป็นบ่าวที่ไม่หลงลืมความปวดปานของพระองค์ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่เห็นคุณค่า ในสิ่งที่พงษ์ทำให้กับเราขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่ได้ทําความดีเพื่ออาคีร์รัตขอให้เรานั้นได้ทั้งดุนยาแล้วก็ได้ทั้งอาคีร์รัตแล้วก็ขอให้เรานั้นให้ความสําคัญกับอาคีร์รัตมากกว่าดุนยาขออย่าให้เรานั้นอยู่ในคําพูดที่พงค์บอกว่าบัลต si ุซีรุณะหายาตัดดุนยาแต่ถ้าว่าพวกเจ้านั้นเลือกชีวิตในดุนยาขอให้เรานั้นเลือกชีวิตในอาคีร์รัตเหนือกว่าชีวิตในดุนยาถึงแม้เราอยากได้ชีวิตในดุนยามากแค่ไหนก็ตาม เราก็จะขอทุ่มเทให้กับอารเคร์มากกว่าเพราะนั่นคือบ้านปลายที่เราต้องอยู่ตลอดกาลและความผาสุกในนั้นนั้นเป็นความผาสุกที่ยั่งยืนแล้วก็เกินจินตนาการอะมินยร บ, บัลอมนก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับขอมาฟนะครับผมอาจจะเร่งมาให้จบในวันนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันอีกช่วงหนึ่งนะครับผมก็ พบกันเมื่ออัลล์ระความเมตตาให้เราได้กลับมาเจอกันครับอกูลูกาลีฮวสักลลฮุมุบัลิลมุสลิมีนะมินุลยสักิรูอินวละฟูรซุบฮาัลลอฮมฮัมดิกะอัฮดลลาฮิลุลมอตุบบวะบารกตุขบุ